วันที่สามเป็นวันเข้าพรรษาผู้ใดสิมาเข่าพรรษากับมาเข่าได้นะแต่เข่าพันษากับหลวงพ่อเนี่ยว่าให้กินเหล่านะเพือ่อพอเข้าพรรษาละงดบุหรี่งดเหล้างดอบายย ม, มุกงดเอื่นกับไข่อกงดเหล้าก็ยังพ่อไข่อยู่งดเล็ดเล็ดไป่ได้ก็ที อ้าวกันมันสิรุ้ยมันก็รุ้ยพวกการมันสีรุ้ยมันก็รุ้ยมะพร้าวแหงเน่ะตัวมันตัดใจจะหนีสามเดือนพวิบบไใดบ่เนี่ยเป็นคือถูกขึ้ยากอย่งการมันสีรุ้ยมันก็รวยมะพ่อแห้งอนี่ยตัเหร่มาจนพ่อแหงมันสีรุ้ยสามเดือนมันเคยมันรุ้ยเคยมันจดได้ไป็ยังวะบอลแน่ได้ออืพันออกพันสาแล้วเลยอาจจะถืกแจ็คพอร์ตก็ได้เนอะ พราเพราะอันนี้อันนี้อันนี้สงน่มีอันนี้สงเน่ยคนมมีบุญเฮ็ดอย่างมันบกข้นบกเกินนะะคนมีบุญในเฮ็ดอย่างมันข้นมันเกินเลยเพราะนั้นยางมนีขึ้นกันมนีคู่บาอาจารย์เข่ามากเข้าคอดเข้าคอดตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามจนวันที่ยี่สิบ็ดสี่ขืนก็หามือเข้าคอดปฏิบัติธรรม รักษาศีลภาวนาเวลาเมื่อเนี่ยขอพ่อนจากพระอุดมมงคลพระพุทธปฏิมาพระประธานเนี่ยพระประธานหลวงพ่อยิ้วว่าพระพุทธอุดมมงคลเมื่อเ้าจิกาบลาเออด้วยอณนสงพผลบุญที่ผู้คาในมาปฏิบัติธรำแตงแต่วันที่ยี่สิบสามถึงวันที่ยี่สิบ็ดบุญผู้คา อันไหนเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้ข่าพระเจ้ารูดแจ้งในถมนรมบรรลุถ้ำดวงตาเห็นธร้ำในที่สดแต่ก่อนที่จะดวงตาจะเห็นถ้ำตาขาว่าวพระเจ้ายั่งพระท่านถึงขันนั่นผู้ขาเวียนไหว่ตายเกิดในวัฏสงสารความทุกข์ความอยากจะได้มีกับข่าพระเจ้าเนะ้อขอให้ข่าพระเจ้ามีตะคว่ำจะเลื่อนงอกเงยงอกง่าม ชีวิตเป็นไปได้ความราบรื่นตลอดไปจนถึงตลอดโลดฟังเลยเทิ น, นว่าตั้งความปรารถนาไว้ต่ออันนี้สงฆ์ที่เข้าเด็ดสั่งคุณงามความดีมือหนีนะการสร้างคุณงามความดีในข้าวนี่มันครบเด้มีทั้งท่านทาั้งศีลทั้งภาวนาพร้อมนะครบทั้งสามอย่างทั้งทานเขาก็ได้ท่านศีลเขาก็ได้รักษาภาวนาเขาก็ได้เห็ุเนี่แหละครบทั้งสามทาั้งศีล ทังท่านทั้งจินทั้งพวนามาเดี๋เขาก็ตั้งข้ความปรารถนาตัวบันเนี่ยปรารถนาอยากได้อย่างหลวงพ่อให้พ่อไหมเนียถ้าปรารถนาสิ่งใดก็ตามขอให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเออข้าหนาว่าปรารถนาบอ่อยู่ในกรอบของศีลธรรมเบ่ได้บ่ไห้สําเล็ดหมาไป อ, อผู้ขายจะไปหาซื้อยากบ้ามาขายนี่จังไหนก็ให้ตำรวจจับหมดหมดไป เพราะมันอ อ, ออกนอกลู่นอกทางเ้ยทำไมผู้อื่นเดือดร้อนใช่ไหมล่ะอ่าป่าท่านโอ้ยท่านใก็ขอให้ตำรวดจะให้จับขาพระเจ้าทอนพเจ้าผู้ขาิซืออ่อขั้นซาสื่อยาบ้าไปขายข้าวเนียวสเส้นแปลว่าเสวนาเอารถจ้องเอารถอเอาไว้ให้ตำรวจจับรถไว้แปลว่าป่าธนาสิ่นั้นปาถนาบ่ ไ, ไปในทํานองคลองถ้ำ ม, มเมนไปทานองคล่องถ้ำเล คำว่าปรารถนาสิ้นได้ก็ตามขอให้อยู่ในกรอบของศิลธรรมนะหลวงพอให้พ่อนังสัตนีตีกรอบให้พ่อมันไปแค่หนูออกนอกกรอบเนะี่ยให้ตำรวจบรถหรืจับรถมันไปพุ่นน่ะนกไก่หน้ามันห้องจะได้หะนะันปิดไว้หนะ้าใหญ่มันห้องนะปิดไว้ก้อนเดี๋ยวจะโทษมาอีกนะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมพุทธศักราชสองพัน 555ตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมจนถึงวันที่27กรกฎาคมคณะพอ อ, อครูบาอาจารย์มีท่านลันลิศวิเศษศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษา อุดรธานีเขตสได้เป็นหัวหน้าคณะได้นำครูบาอาจารย์ระดับผู้บริหารระดับผ อ, อและรองผ อ, อทั้งหมด150หกว่าท่านก็นับว่าเป็นครั้งแรกที่ออกหน่วยหรือว่าออกปฏิบัติธรรมนานยาวนานถึงขนาดนี้หลวงพ่อเองในฐานะพระสงฆ์ ที่เคยรับคณะศรัทธาญาติโยมก็เคยรับมามากแต่เพียงคืนหรือสองคืนเป็นอย่างมากแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าสีคืนกับห้าวันก็ได้ตั้งพระวิทยากรแล้วก็หลวงพ่อเองก็ได้ลงไปกำกับแต่ภารกิจของหลวงพ่อก็บางครั้งก็ติดธุระแต่ก็ในใจก็ยังห่วงคณะครูบายกจารอยู่ แต่ว่ามีกิจธุระแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ต้องขออภัยในภารกิจจุดนี้เหมือนกันทั้งที่พวกเรามาสู่วัดว า, าศาสนาเป็นค น, คนเป็นจำนวนมากแต่หลวงพ่อก็ยังไปทำธุระอย่างอื่นเพราะมีธุระจำเป็นจริงแต่ถึงยังไงในการเข้าคอร์สหรือว่าเข้าปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลวงพ่อเองก็มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าหลวงพ่อเอง ไม่ใช่ว่าจะบวกอย่างเดียวลบอาจจะมีอาจไม่อาจคงจะไม่มีลบอย่างเดียวบวกอาจจะมีมันได้ทั้งสองเพราะนั้นในการเข้าคอร์สของครูบาอาจารย์ทั้งที่ท่านพออเป็นประธานในคราวนี้ก็คงจะเข้าข่ายนี้เหมือนกันแต่ว่าถึงอย่างไงพวกคณะครูบาอาจารย์คงจะประเมินผลเพราะระดับนี้ ระดับพออพอ อ, อใหญ่พออโรงเรียนหรือรองพออหรือว่าคณะขูนักวิชาการตั้งหลายคงเป็นอิสระในการประเมินประเมินผลในการเข้ามาเข้าคอทในครั้งนี้ว่าการเข้าคอทหรือว่าการเข้ามาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นยังไงเป็นที่พอใจหรือว่าได้รับผลเป็นที่พอใจไหมหรือว่า เรามาทําให้ลําบากเปล่าสิ่งเหล่านี้พวกคณะครูบาอาจารย์คงเคยประเมินผลทุกทุกอย่างมาแล้วในการทํางานของตนเองคราวนี้ก็คงคงเช่นเดียวกันมาทุกยากลําบากถึงสี่คืนห้าวันขนาดนี้หลวงพ่อมั่นใจว่าครูบาอาจารย์และท่านพ่ออทั้งหลายก็คงจะประเมินผลแต่พร้อมกัน ก็ไม่ใช่ว่าจะประเมินผลแต่พวกครูบาอาจารย์หลวงพ่อเองเป็นเจ้าของวัดเป็นเจ้าของสถานที่หลวงพ่อก็จะเรียกพระวิทยากรทั้งหมดที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็มาประเมินเหมือนกันไม่ใช่แต่ประเมินแต่พวกท่านแต่พวกเราก็ต้องประเมินอีกเหมือนกันว่าการทำงานในครั้งนี้ผสมประสบผลสาเร็จมากน้อยแค่ไหนผู้เข้ามาร่วมประชุมและเข้ามาเข้าคอท สนใจมากน้อยแค่ไหนอันนี้พวกเราก็จะต้องได้ประเมินอีกเหมือนกันในเมื่อผลประเมินออกมาแล้วเป็นที่พอใจว่าคงจะเปิดเกิดผลแล้วก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยอยู่ในกฎระเบียบไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของวัดก็อยู่ในความสงบเป็นที่พอใจสําหรับพระวิทยากรผู้ที่พาดําเนินการแต่หลวงพ่อเนี่ยอยู่เบื้องหลังอยู่ห่าง เป็นผู้ให้นโยบายในเท่านั้นเองแต่นานๆหลวงพ่อก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ถึงยังไงหลวงพ่อคิดมั่นใจมั่นใจในใจนะทั้งวิทพระทั้งพระวิทยากรด้วยทั้งครูบาอาจารย์ที่เข้ามาอบรมด้วยก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ในเมื่อเกิดประโยชน์กับชาติบ้านเมือง กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะว่าสถาบันหลักของเราคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าว่าคนในชาติพลเมืองของประเทศผู้บริหารอย่างครูบาอาจารย์เป็นทรัพยากรอันดับเจ้าวจัดเป็นอันดับหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดเพราะเหตุไรเพราะว่าครูบาอาจารย์เป็นผู้สั่งสอนเด็กนักเรียนประถม เริ่มแรกอนุบาลนัลกปฐมเป็นผู้ดูแลเด็กนักเรียนนักเรียนเกิดมาเด็กเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็สอนในระดับหนึ่งต่างตระกูลต่างครอบครัวแล้วก็ต่างฐานะแล้วก็เข้ามาสู่โรงเรียนโรงเรียนก็รวมกันสอนครูบาอาจารย์สอนถ้าว่าครูบาอาจารย์ได้รับการ ได้รับธรรมะเข้าสู่จิตใจมีเมตตาเป็นพื้นฐานและมีความตั้งใจมีความตั้งใจมีขันติคือความอดทนมีวิริยะคือความเพียรมีปัญญาคือความรู้ค้นคว้าหาความรู้จะประสิทธิ์ประสานให้แก่เด็กนักเรียนหลวงพ่อว่าการเข้ามาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็คือขแขนงหนึ่งแขนงคือธรรมะที่พวกเราเข้ามาศึกษา มีขันติอย่างไรจึงจะถูกต้องมีวิริยะอย่างไรจึงจะถูกต้องใช้ปัญญาอย่างไรจึงจะถูกต้องคือจะเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ว่าเราใช้ไปในทางที่ผิดมันก็ผิดได้ถ้าใช้ไปในทางที่ถูกก็ผลมหาศาลในการเข้ามาเข้าคดในครั้งนี้แต่หลวงพ่อเองเขามั่นใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าครูบาอาจารย์เข้ามาในครั้งนี้ก็คิดว่า จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมากเพราะจะได้นําแนวทางปฏิบัติเรื่องศิลธรรมไปแนะนําสั่งสอนลูกหลานเพราะลูกหลานของเราเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังเหมือนกับผ้าที่สะอาดผ้าขาวเราจะย้อมสีอะไรเข้าไปถ้าว่าเราย้อมสีในศิลธรรมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สามสีเข้าไป เด็กของเราก็จะเป็นสีขึ้นมารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ถ้าว่าเรายอมสีลงไปให้ทรยศต่อรประเทศชาติให้ไปในทางที่ช่วยช้าเลวสามเด็กมันก็รับได้อีกเหมือนกันต่อมาก็เด็กเป็นเด็กก้าวร้าวเป็นเด็กที่หาความรับผิดชอบไม่ได้อันนี้ก็คือ ได้รับครูจากครูบาอาจารย์เหมือนกันหรือว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้ใส่ใจแต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์ใส่ใจในการสอนเด็กนักเรียนลุงพ่อมั่นใจว่าเด็กนักเรียนของเราเป็นคนดีแต่ลุงพ่อก็ได้เข้าไปชุมเมื่อไม่นานมานี้ที่โรงเรียนยุงทองก็มีท่านผู้กํากับในท่านภู้กำกับก็บกนั่งอยู่ที่นี่ด้วยผู้กำับอําเภอนายูและก็ท่านปออุโสพนายนายอำเภอติดภารกิจ ยังเรียนไม่จบจากนั้นก็ครูบาอาจารยออ์ผอมีมากพร้อมกับเด็กนักเรียนหลวงพ่อก็ได้ขึ้นนั่งบนธรร ม, มาท์แล้วก็ได้พูดว่าการบริหารจัดการกับลูกหลานหลวงพ่อเองไม่อยากจะให้ทำอะไรรุนแรงเพราะหลวงพ่อเองในฐานะเป็นหลวงปู่หลวงตาอยู่ในท้องถิ่นมานมนานการที่จะทำสิ่งไหนอย่างที่ว่าปราบ ปราบยาเสพติดอย่างนี้หลวงพ่อก็บอกว่าขอปรามก่อนได้ไหมปราบปรามแต่หลวงพ่อให้เปลี่ยนคำใหม่ว่าปรามปรา บ, ราบแต่ไม่ให้ปราบเฉยๆก็ไม่ได้แต่ก็ขอให้ปรามซะก่อนคือเด็กลูกหลานของเรายังไม่รู้เดียงสาภาวะบางทีก็คบเพื่อนคบผูงคิดสนุกแล้วก็กินหรือเสพยาเสพติดเข้าไป แต่ทําตํารวจเจ้าหน้าที่คือหน้าที่ต้องตรวจพอตรวจเข้าไปเกิเป็นเยี่ยวสีม่วงอย่างเนี้ยจะทํำยังไงถ้านเราจะจับเด็กนักเรียนของเราเข้าค่ายเข้าค่ายใช่เลยก็เสียอนาคตเมื่อออกจากค่ายแล้วมันอาจจะประชดประชันจับกลุ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าเรารู้สึกว่าขายหน้าขายตาลักษณะนั้นเสียใจลักษณะอย่างนั้นอาจจะทําให้เด็กของเราเสียคนไปก็ได้ เพรนั่นต้องปราบซะก่อนในเมื่อจับได้แล้วเยี่ยวสีม่วงแล้วเป็นลูกของใครอยู่ที่ไหนตำบลอะไรพ่อแม่ชื่อไงสำเนาทะเบียนบ้านอะไรยังไม่จับจากนั้นก็บางทีก็เรียกผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือพ่อแม่มาแล้วก็บอกอย่าทาอย่างนี้อีกนะอันนี้เป็นครั้งแรกนะอันนี้เราให้อภัยเราไม่มีอะไรทั้งหมดยังไม่มีเอกสารอะไรที่จะเป็น เป็นมลทินอะไรแต่เราเตรียมเอาจับเราบอกเอาไว้ว่าอย่าทำอีกต่อไปถ้าว่าทำอีกครั้งต่อไปโทษโทษครั้งนี้จะบวกกับข่าวขาวต่อหน้านะคาวต่อไปนะแปลว่ามีเจตนาอันนี้ครข่าววัเราต้งคิดว่าสนุกซะก่อนแต่ว่าต่อไปถ้าวามเห็นอีกแปลว่าติดหละจะต้องลงโทษตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปอย่าทำนะ อันนี้คือปรามถ้าเราปรามอย่างนี้เด็กนักเรียนผู้มีอุปนิสัยนิสัยยังอ่อนอยู่เขาก็เข็ดขยาดโหเออไม่ใช่ธรรมดาพ่อแม่เขาก็ดีใจอีกต่างหากเพราะปรามลูกของเขาแล้วก็พร้อมกันพ่อแม่ก็อย่งเห็นคุณอุปการของตํารวจอีกเพราะว่าเป็นผู้ปรามช่วยเขาเพราะพ่อแม่บอกไม่ฟังสิ่งเหล่านี้หลวงพ่ออยากจะให้ปรามซะก่อนแล้วยังค่อยปราบถ้าเอาไม่อยู่แล้วก็เอา ดำเนินตามกฎหมายเพราะกฎหมายบ้านเมืองมีอยู่แล้ว อ, อันนี้คือหลวงพ่อเคยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงตามหาบัวแต่หลวงปู่ล่าเนี่ยอยู่กับหลวงปู่ล่า เ, เหมือนกับปู่สอนหลานถ้าเราทำผิดเนี่ยท่านก็เรียกมาแล้วก็เตือนบอกกับทาแอบธรรมด า, าก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่สำหรับองค์หลวงตามหาบัวเนี่ย แต่ถ้าใครทําออกนอกรูนอกทางเอไม่อยู่ในสายตาของท่านที่อยากจะให้ดูท่านจะชี้บอกมาบางทีชี้ต่อหน้าเลยอย่างที่ศาลาอย่างที่ท่านไม่ได้เลือกว่าใครต่อใครแหละอยู่ในศาลาถ้าองค์ไหนทาไม่ถูกท่านจะชี้ทันทีเดียวนั้นเลยอย่าทําอีกนะอย่าให้เราได้เห็นอีกนะถ้าว่าเห็นอีกไรนี้จะวัดนะหนักวัดนะเราไม่ปราถนาพระอย่างนี้อย่าให้เห็น โอ้องคไหนที่ได้ถูกขู่อย่างนั้นปราบอย่างนั้นและไราปว่าเข็ด เ, เข็ดตลอดไปเลยนี่แหละหลวงพ่อว่าถ้าหากว่าท่านเห็นแล้วก็ท่านไล่นี้จะวัดเลยได้ทำยังไงมันก็ไม่ดีแล้วก็เสียพระไปอีกแล้วก็เสียความตั้งใจของพระอีกเพราะทำผิดเพียงครั้งเดียวท่านก็ไม่อาจจะไม่รู้อีกต่างหากว่าตัวนี้มันผิดเพราะเข้ามาศึกษาธรรมดาครูบาอาจารย์ก็ต้องให้ ความศึกษาให้หนักแน่นมั่นใจในจิตเขาที่เขามาอยู่ด้วยถึงเขาปราบต้องปราบนะถึงเขาปรามปรามไม่ก่อนปรามถ้ายังไม่ฟังขาวหน้าก็เห็นอีกอย่างนั้นปราบเลยนีไล่เดี๋ยวนั้นเลยโดยมากหลวงตาท่านจะทำลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อมาอยู่เป็นหลวงปู่หลวงตาในท้องถิ่นของเราหลวงพ่ออยากจะให้ฝ่ายบ้านเมืองทุก หน่วยทุกเหล่าทั้งฝ่ายปกครองทั้งในอาเภอทั้งประลัดทั้งผู้กากับครูบาอาจารย์ทุกหน่วยอยากจะให้ลักษณะอย่างนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอยากจะให้พวกเราดำเนินอยากขอให้ปรามซะก่อนอยังค่อยปราบแล้วก็พร้อมกันวันนี้เป็นวันที่จะจบคลอดของครูบาอาจารย์ หลวงพ่อขอฝากไว้กับทุกทุกท่านตั้งแต่พออใหญ่จนถึงพ่ออทุกๆท่านการอยู่ในการบริหารจัดการกับครูโรงเรียนหรือว่าผู้เกี่ยวข้องก็ขอให้พวกเราใช้เมตตาเป็นหลักใช้ความนุ่มนวลเป็นหลักแต่ท่าว่าใช้ความนุ่มนวลใช้เมตตาเป็นหลักแล้วยังไม่ฟังยังไม่ยอมฟัง อันนั้นหลวงพ่อว่าจําเป็นจะต้องใช้พระเดชเหมือนกันทำํำไมจึงใช้พระเดชเหมือนกับนิ้วมือของเราหรือว่าขาของเราเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นมะเร็งเราก็รักขาของเราใครไม่รักขาเพราะเราเกิดมาก็มีขาอวัยวะของเราแต่ว่ามันเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเบาหวานหมอเขบอก ว, ว่าไม่ได้เลือดมันหยุดวิ่งไปแล้วมันมีแต่จะเน่า ถ้าหาว่าขืนเอาไว้ขาของท่านจะต้องเน่าพอเน่าขึ้นไปแล้ว เ, ออเลือดของท่านจะเป็นพิษเข้าสู่หัวใจท่านก็จะต้องตายถ้าตัดออกไปนั่นจะปลอดภยัยแต่้าขาท่านเสียนะักเราก็จําเป็นจะต้องกัดตัดขาทิ้งเพราะเหตุไรเพราะเรารักชีวิตของเราอยู่ถ้าเราอยู่ไปวันหนึ่งเราก็จะได้ภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆเข้าสู่จิตใจหรือว่าเราจะได้ดูแลลูกหลานออต่อไปภายภาคหน้าจะเกิดประโยชน์ต่ อ, อ ก, กิจการของเรา เราก็ยอมตัดขาทิ้งแต่เราเสียดายไม่ขาของเราเสียดายอย่างมากแต่บรนเหลือวิสัยนี่ก็เหมือนกันผู้บริหารจัดการผู้บริหารทั้งหลายหลวงพ่อวามตั้งแต่หลวงพ่อเป็นต้นไปหลวงพ่อก็ใช้ระบบนี้เหมือนกันเท่าองค์ไหนก็ตามถ้าหากว่าบอกแล้วให้ทำความเข้าใจแล้วพระยังดื้อด้านอยู่หลวงพ่อก็จาเป็นจะต้องตัดทิ้งเสียดายไหมเสียดายเสียดายพระแต่ว่า ถ้าหากว่าไม่ตัดทิ้งเดี๋ยวมันจะรุกลามไปหาองค์อื่นเดี๋ยวองค์อื่นเป็นตัวอย่างมาพ่อปืนองค์อื่นเป็นตัวอย่างองค์นั้นก็ทำไม่ดีองค์นี้ก็ทําม่ดีเพราะองค์นี้พาทำํำผลที่สุดก็เลยเสียหายทั้งวัดเพราะนั้นหลวงพ่อเองถึงข่าวที่จะต้องตัดต้องแข็งใจตัดเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะขอฝากไว้กับคณะผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าถ้าลูกน้องไม่ดีเราจะทํำยังไงก็เหมือนเราตัดนิ้วมือนิ้วเท้าดื้อขาเราทิ้ง เพื่อรักษาส่วนอื่นเอาไว้นี่แหละอันนี้คือพระเดชส่วนพระคุณก็คือประนีประนอมให้รักกันเมตตากันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ปรึกษากันลงโทษพอบบอกแต่ถ้าว่าไม่พังจริงๆก็ต้องตัดทิ้งถ้าเกินเอาไว้เสียวงการเสียวงการการบริหา ร, จ, ารจัดการจัดการนี่หลวงพ่อว่ามันต้องมีขั้นตอน และตามให้จริงการใช้คนก็เหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อเคยเล่านิทานชาดกให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางการใช้คนไม่ใช่ว่ารูกคันคนอยู่ใกล้ถึงจะโง่เง่าอย่างไรก็ใช้ก็เสียหายบางคนประจบประจบสอปอเข้ามาก็ใช้เขาไปทำงานทำงานกระทำไม่เป็นอีกเสียหายประจบซอปลอได้แต่ว่าทำงานไม่เป็น แต่บางคนดีแต่พูดพูดนี่เก่งหลั ก, กงหลั ก, กงอย่างั้นหลักการอย่างนี้แต่พอให้ไปทาบริหารทำอะไรไม่เป็นเดินไม่เป็นอย่างนี้ก็มีต่างเยอะแยะแต่บางคนเขาพูดไม่เป็นแต่เราก็ใช้ไปเขาทำงานได้สิ่งเหล่านี้ผู้เป็นหัวหน้าต้องเลือกใช้คนถ้าว่าไม่เลือกใช้คนใช้คนไม่เป็นงานชิ้นนั้นถึงจะเป็นงานที่ มีเกียรติประวัติเกียรติยศฐาบรรดาศัก์สูงส่งขนาดไหนก็เสียเสียงานเสียการอย่างมากแล้วก็เสียใจเมื่อภายหลังอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะใช้คนไม่เป็นแต่ถ้าว่าใช้คนเป็นกิจการนั้นจะสําเร็จลุ่งร่วงไปครึ่งหนึ่งถ้าคนใช้คนเป็นถ้าว่าใช้คนไม่เป็นเสียหายอันนี้ก็ขอฝากไว้กับท่านผู้บริหารทั้งพออทุกเกือบทุกท่านที่มาเนี่ย ผู้ที่รองพออเอขพร้อมที่จะเป็นพอ อ, อต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นการใช้งานใช้การคนควรจะคิดให้ดีมองให้ดีไม่ใช่ว่าผู้เข้ามาอยู่ใกล้ประจบสอพลอทั้งก็ใช้เผาแต่แต่วอนจริงให้จริงดูซะก่อนทดลองดูก่อนใช้งานอย่างนี้เป็นยังไงทดลองดูว่าใช้งานเป็นยังไงถ้าใช้งานเออเขาเอาจริงเอาจัางบางคนในต่อหน้า น, นายก็ดี เครับผมครับผมพอทำแล้วผลงานออกมาเนี่ยทะเลาะทะลาแต่บางคนก็ทำงานที่ใหม่ๆก็ดีแต่พองานที่สองที่สามไปแล้วดูถูกนายอีกต่างหากใช้เราทำงานแล้วไม่ให้เงินดิมเงินเดือนไม่ให้รางวัลอะไรมีแต่ใช้เราทะเลาะทะเลาะอย่างนั้นเราก็ต้องดูอีกมันมีดูหลายขั้นตอนที่เป็นหัวหน้าต้องสายตายาวต้องใช้ความคิดต้องสอดส่องดูแล ถ้าว่าใช้ไปแล้วไม่ได้ผลต้องไปชุมกันต้องหาผู้ที่รับผิดชอบนี่แหละอันนี้ก็คือการบริหารจัดการที่เป็นระดับหัวหน้าหลวงพ่อว่าน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวันหนึ่งนายอุทยา น, นิมนตพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ไปฉนันในสานักงานของเขาพระองค์ก็ได้เสด็จไป ไปฉันกับพระสงฆ์เมื่อฉันพัฒนาหาันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ก็พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งก็เสด็จกลับวัดแต่พระสงฆ์อีกกลุ่มหนึ่งนายอุทยานก่ออนกราบอภรัตนานิมนต์จะไปชมสวนอุทยานก็ได้นะครับผมพระสงฆ์นี่ก็อยากจะไปศึกษาเพื่อเรียนรู้ในการดูแลสวนเขาทำยังไงอย่างนั้นก็พระนายอุทยานก็พาพาพระสงฆ์กลุ่มหนึ่ง เดินเที่ยวชมอุทยานเดินไปก็เห็นต้นไม้สูงก็มีต้นไม้เตี้ยก็มีพึ่งปลูกใหม่ก็มีแต่ตายเป็นสนามก็มีเกิดหลอมแหลมก็มีพระกเลยถามว่าเอ๊ทําไมต้นไม้ถึงเป็นอย่างนี้นายอุทยานก็บอกว่าอผมที่เดือนที่ผ่านมาเดือนสิบสองที่ผ่านมาอผม ไปกับคณะลูกน้องที่รักษาสวนอุทยานอยากจะให้ใครอยู่ใครก็ไม่อยากจะอยู่เพราะไปเที่ยวนักขัดตะเลืกคือไปเที่ยวปีใหม่ลักษณะอย่างนั้น่ะคือเดือนสิบสองเพ็นพระจันทร์เต็มดวงเขาไม่มีไฟฟ้าเหมือนทุกวันเลยเมื่อพระจันทร์เต็มดวงไม่มีก้อนเมฆก้อนหมอกเขาก็ไปเล่นสนุกสนานอันนี้คือเป็นประเพณีของอินเดียทุกวันนี้เขเค ย, ยังมีอยู่แต่ในี้ใครก็ไม่อยากจะอยู่ยก็เลย เห็นว่าลิงลิงอูหลังอุตังนะที่อยู่ในสวนที่กินผลไม้ลากไม้อยู่ในอุทยานนะก็เรียกหัวหน้ามันมาให้มาลิงรักษาต้นไม้นะเอาลดน้ําให้เราดูซิสอนวิธีลดน้ําให้ลิงลิงหัวหน้ามันก็ลดน้ําเออเนี่ยนนะให้ตาแก่บอกลูกน้องตาแก่รักษาอย่างนี้นะแง่ก็บอกเสร็จแล้วก็เลี้งกับปักมุมหมอบมุบมหมมันก็คงจะรับคําเข้าใจเข้าใจครับนายว่างั้นอ่ะจากนั้นพ่อเนีเออเจ็ดวันนะ่าเราจะมานะเราไปเที่ยว นักสัตว์ซะก่ะอนนะในดูแลสวนใด้ดีนะกับลูกน้องนะเพราะตะแกก็กินผลไม้หลากไม้อยู่ที่นี่ตะแกก็เป็นสวนนี่คือบุญคุณของตะแกเหมือนกันอตะแกรักษานะลิงกับหมูหมอบหมหมอบเหมือ ม, มันมันยอมรับเลยผลที่สุดก็เลยนายอุทยานก็ไปกับลูกน้องพอกลับมาท่านนั้นนะ่ะเห็นลิงถอนต้นไม้เกือบจะเป็นลมเลเอเกือบเป็นลม ก็ไม่รู้จะทํายังไงแค่น้กันแหละนายอุทยานเขาบอกว่าลิงถอนต้นไม้แต่นี้พระสงฆ์ก็เลยเห็นแล้วเออแปลกว่ะมันถอนทําไมแต่ได้มากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยลิงอ่กลุ่มนี้กับนายอุทยานคนนี้น่ะเคยมีมาแล้วในอดีตชาตินะเพราะฉะนั้นใครทําความไม่ดีเอาไว้นะมันติดพพติดชาติยให้ระวังฮนะ ถ้าใครเคยกินเล่าในวงการของเราในกลุ่มของเราเนี่ยคนนั้นมันจะไปพบนายชาติหนาเขจะไปเป็นถ่วงพวกหมพกูพวกเพื่อนอีกอย่างเก่าฮะอันนียก็เหมือนกันนะลิงตัวนั้นกับนายอุทยานนะเน่ยเกิดในพบนั้นชาตินั้นแต่มาเกิดพบนี้ชาตินี้ก็ยังมาเกี่ยวข้องกันอยู่พระสงฆ์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าสมัยไหนพระเจ้าค่ะที่ว่านายอุทยานกับลิงกลุ่มนี้เนะี่ะพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพรมทัศ ของราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระเจ้าแผ่นดินให้นายอุทยานเนี่ยรักษาสวนอุทยานแล้วก็มีลิงอุหลังอุตังเนี่ยเต็มสวนกินผลไม้ลากไม้ที่นายอุทยานปลูกเขาก็ไม่ว่ากันเพราะอนุลักษ์ลิงให้คนไปดูลิงใหญ่แต่ต่อมาในะวันนั้นน่ะนายอุทยานก็บอกใครก็อยากจะไปเที่ยวอีกเหมือนกันนะเนี่ยแหละนายอุทยานก็บอกเอ้า เรียกลิงหัวหน้าลิงมาฮ่าโอรั่งโอตังหัวหน้าดูแลสวนแทนเราได้ไหมลิงก็มุมบับมุมมับนี่นะเอาขันน้ำเลยนะเอากระป๋องนะดูสิตักสิเอาไปเทยอย่างนี้นะลิงก็ทํามุมบับมุมบับใช่ทาได้ทีนี้ลิงก็จัดการพอเสร็จแล้วก็เจ็ดวันนะั้นเราจะกลับมานะลิงขอรับคํา พอจากนั้นนายอุทยานกับบริวารก็ไปเที่ยวนักกษัตไปเที่ยวสนุกสนานทั้งเจดวันพอกลับมามาเห็นต้นไม้ตายเป็นบือเลยนีต้นไม้เล็กเนะพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าเพราะว่าลิงสมัยนั้นนะ่ะมันบอกว่าเอ้ยเวลาเราลดน้ำเนี่ยมันจะถึงรากมาันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายจงดึงถอนขึ้นรากมันขึ้นมาเสียก่อนแล้วก็เอามาแช่ใน ในกระป๋องสะก่อนแล้วจึงค่อยยัดตรงที่เก่ามันจะได้กิดน้ําเต็มที่หรือถ้าเราเทเกี่ยวข้างบนเนี่ยอมันจะถึงรากมานรือไม่ถึงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพวกท่านหลายปฏิบัติอย่างที่เราบอกนี่นะลีนทั้งหลายก็เอมับหมุบหมอบยอมรับคำหัวหน้ามันใช่ไหมมันก็ถอนต้นไม้ขึ้นมาถอนขึ้นมาก็จับยัดใส่กระป๋องแล้วก็บจบยัดใสอีกอลอพอเสร็จเ็ดวันนายอุทยานมา มาเห็นต้นไม้เกือบจะเป็นลมเหมือนกันนี่แหละอันนี้สรุปแล้วก็คือใช้คนผิดใช้ลิงนี่แหละพราะพระติจ้าเไยตรัสว่านี่แหละพิกษุทั้งหลายการที่จะใช้คนต้องใช้ให้เป็นต้องมุมองดูงให้เป็นให้เขาทดลองดูซะก่อนแล้วก็ต้องดูผลงานของเขาไม่ใช่ว่าปล่อยไปให้เขาทำจนเสียหายจน กูไม่กลับเราะว่าเสียหายอย่างมากแล้วจะค่อยมาแก้ไขคิดแก้ไขที่หลังต้นไม้ที่เขาปลูกไ ม, ไม่ต่ำกว่าปีสองปีที่จะสูงขึ้นขนาดเขา่าขนาดเอวเนี่ยลิงถอนหมดจะต้องเสียเวลาอีกเท่าไหร่ในการปลูกปาก่าซ้อนขึ้นมาอีกเสียผ ล, ลไม้เสียต้นพืชอีกต่างหากเสียเวลาอีกต่างหากเสียหมดทุกอย่างเสียความรู้สึกกิจต่างหากเนี่ยแหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลาย ก่อนที่จะใช้คนต้องดูคนซะก่อนออว่าเขามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนเขามีความตั้งใจไหมเขาจงรักภักดีไหมเขารักในงานไหมมีอะไรต้องดูให้รอบด้านรอบข้างถ้าว่าเราดูรอบข้างข้างรอบด้านแล้วเราต้องเราจริงใช้คนแต่เมื่อใช้ไปแล้วนั่นแหละจะสําเร็จสมความโมง่มาตรปรารถนาเพราะเขามีความตั้งใจและเขามีปัญญาอีกต่างหาก อันนี้แหลพระพุทธเจ้าท่านสอนพระสงฆ์ให้เป็นแนวความคิดท่านท่านเรานํามาประยุกต์ใช้ในกิจการหรือว่าในงานของพวกเราที่เป็นหัวหน้าหลวงพ่อว่ามันเป็นแนวทางเหมือนกันถึงจะไม่เหมือนกะลิงก็เถอะแต่เป็นแนวทางที่พวกเราจะต้องดําเนินการอย่างไรในเรื่องที่เราจะใช้คนคือใช้ให้คนให้ถูกกับงานแล้วก็ใช้คนที่มีมีความรักงานและมีความ พร้อมที่จะทำได้ในเรื่องนั้นๆ น, น, นี่แหละอันนี้ก็คือนิทานชาดกที่ท่านเปรียบเทียบให้ฟังคือเป็นกระจกเงาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายและก็พร้อมกันวันนี้ก็เป็นวันที่27อีกไม่กี่วันก็เป็นวันเข้าพรรษาหลวงพ่อก็บอกกับคณะครูบาอาจารย์ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่แต่คณะครู แต่คณะมีใครมาก็ตามในช่วงนี้หลวงพ่อเออก่อนจะข้อพรรษาปี2555เนี่ยพวกเราให้เตรียมพร้อมเนอะให้ดูตัวตราดูตนเองข้าพเจ้าจะทําอะไรข้าพเจ้าจะงดเล่าข้าพเจ้าจะงดปูรีข้าพเจ้าจะงดอบายมุกข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันข้าพเจ้าจะรักษาศีลทุกวันพระข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าทุกวันพระข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถ ถ้าไม่มีความจําเป็นข้าจะเข้าไปเจ้าจะมาไหว้พระทุกวันพระฟังเทศแล้วนอนวัดเแล้วก็จะใส่บาต ท, ทุกวันแล้วจะไปกราบพ่อกราบแม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์กาาร า, าก บ, พก บ, กบพ่อตาแม่ยายวันอาทิตย์ไปกราบพ่อกราบแม่พาลูกพาพาภรรยาสามีไปกราบพ่อกราบแม่ของตนเองกราบพ่อตาแม่ยายสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มี คุณอุปการสำหรับตัวของเราท่านทั้งหลายถ้าเราเนี่ยไม่ได้คิดสร้างคุณงามความดีแล้ว เ, เราจะพึ่งอะไรต่อไปในอนาคตเราเระลึกถึงคุณงามความดีกันระลึกไม่ได้เพราะเราไม่เคยทำแต่ถ้าเราทำคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของเราแล้วพวกเราก็จะลําลึกถึงคุณงามความดีและกับพร้อมกันที่พวกครูบาอาจารย์คณะผ อ, อได้เข้ามาฝึกปฏิบัติในคราวนี้ มีท่านหัวหน้าคื อ, คอท่านลัลลิ์พิเศษศัก์ผู้อหนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาอุดอรธานีเขต4เป็นผู้นำคณะหลวงพ่อเองขอขอบคุณและขออนุโมทนาที่หัวหน้าและคณะกลุ่มทุกท่านขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวั น, นสุขภาละปรารถนาสิ่งใดยอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวัง ดังปราถนาทุกประการรับพรอ น, อนุโมทนาให้พร